กรรมสี่ประเภท384ภิกษุทั้งหลายกรรมมีสี่ประเภทเหล่านี้คือ 1. กรรมแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมอธรรมวัคคกรรม 2. กรรมพร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบธรรมอธรรมสมัคกรรม 3. กรรม แบ่งพวกโดยชอบธรรมธรรมะวัคคกรรมสีกรรมพร้อมเพรียงกันโดยชอบธรรมธรรมสมคขะกรรมภิกษุทั้งหลายในกรรมสี่ประเภทนั้นกรรมที่แบ่งพวกโดยชอบธรรมนี้ชื่อว่าไม่ถูกต้องไม่ควรแก่เหตุเพราะไม่ชอบธรมเพราะแบ่งพวก ภิกษุทั้งหลายกรรมเช่นนี้ไม่ควรทำและเราก็ไม่อนุญาตภิกษุทั้งหลายในกรรมสี่ประเภทนั้นกรรมที่พร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบธรรมนี้ชื่อว่าไม่ถูกต้องไม่ควรแก่เหตุเพราะไม่ชอบธรรมภิกษุทั้งหลายกรรมเช่นนี้ไม่ควรทำ แล้วเราก็ไม่อนุญาตภิกษุทั้งหลายในกรรมสี่ประเภทนั้นกรรมที่แบ่งพวกโดยชอบธรรมนี้ก็ชื่อว่าไม่ถูกต้องไม่ควรแก่เหตุเพราะแบ่งพวกภิกษุทั้งหลายกรรมเช่นนี้ไม่ควรทำแล้วเราก็ไม่อนุญาตภิกษุทั้งหลายในกรรมสี่ประเภทนั้น กรรมที่พร้อมเพรียงกันโดยชอบธรรมนี้ชื่อว่าถูกต้องควรแก่เหตุเพราะชอบธรรมเพราะพร้อมเพรียงกันภิกษุทั้งหลายกรรมเช่นนี้ควรทำและเราก็อนุญาตภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละพวกเธอพึงสำเหนียกอย่างนี้ว่าพวกเราจะทำกรรมที่พร้อมเพรียงกัน โดยชอบทม